วันนี้พวกเราทั้งหลายจงรู้จักธรรมบรรยายอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าธรรมปาติโมกปาติโมก ค, คืออะไรก็คือเรื่องของบัญญัติทางวิในกระทากันทุกสิบห้าคัมทุกสิ้าวันส่วนปาติโมกทางธรรมไม่ค่อยได้ทํากันเลยส่วนใหญ่ก็จัดทํากันทาง วิในท่นี้เห็นว่าเรายังไม่ได้ครบเรื่องไม่ถูกคือเรื่องที่น่าจะทํากันบ้างก็คือเรื่องของการทําให้ธรรมปาติโมกของพระพุทธเจ้าได้แจมแจ้งขึ้นมาอีกหลายหมวดหลายบทถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ได้บัญญัติเรื่องธรรมะปาติโมกเป็นทางทํำไว้โดยตรงแต่ว่าเราจะพิจารณาดูเห็นได้ว่า ที่ได้ทรงบัญญัติไว้โดยอ้อมก็ยังมีอย่างยิ่งเช่นในหัวข้อธรรมะที่ตรัสไว้ว่าให้มันประชุมกันเนืองเนืองให้ศึกษาสอบสวนทบทวนเรียนรู้อะไรกันบ้างอยู่ให้เป็นเนืองนิดถ้ามาทบทวนสอบสวนเรียนรู้กันให้เป็นเนืองนิดนั่นแหละคือปาติโมกข์พระก็ทดสอบเรื่องวินยัยว่าข้อนั้นถูกไหมข้อนี้ผิดไหม ถ้าผิดก็ปองอบัตซะถ้าไม่ผิดก็ลงปาติโมกกันต่อไปอะไรํำนองเนี้ยฉะนั้นนี่แหละเราจะต้องนำเอาธรรมะปาติโมกทางธรรมเอาขึ้นมากล่าวกันในโอกาสทุกๆสิบห้าวันหรือเจ็ดวันวันพระเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกวันพระแปดคำ่ำถ้ามาอยู่แล้วไม่ได้ประชุม หลาไปนอนไปติดไปพักไปพอนดังเดียวก็ไม่ได้วันนี้จะมีเรื่องที่อาจจะไม่ได้ยินได้ฟังหรือฟังแล้วเราก็ไม่ได้สอบสวนทวนให้มันลึกซึ้งขึ้นไปคือเรื่องของอาเวจับปะศัทธาคือพูดถึงเรื่องศรัทธาถามว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยควรทดสอบเรื่องศรัทธาในอะไรบ้างในลองตอบสักคนดี เราจะต้องทดสอบือศรัทธาในอะไรที่ต้องสอบสวนทว น, ทวนดูว่ายัางลึกซึ้งหนักแน่นหรืองอนแง่นคลอนแคลนเรื่องอะไรที่เราจะต้องสอบสวนทวนให้มันหนักแน่นไม่ปล่อยให้ง่อนแง่นคลอนแคลนฮะเมื่อกี่เพลงยังเปิดอยู่เลยเพลงเปิดก่อนที่จะบรรยายเนี่ย แมไม่กระทบอูเลยเออเรามีหลักของเราที่จะต้องศรัทธาไม่ให้มันงอนแง น, นคลอนแคลนต้องทำให้เห็นลึกซึ้งว่ามีคุณูปการต่อชีวิตเราเหลือเกินส า, าากสามอย่างอ่ะบอกแล้วสามอย่างยังนึกไม่ออกก็ไปนอนเถอะยากไม่ใช่โวยตายแล้ววันนี้สงสัยไม่ใช่ เราต้องศรัทธานี้ก่อนแล้วจะไปเข้าใจเรื่องยังทุกขังนาาันตาเรื่องศีลสมาธิปัญญาต้องผ่านนี้ก่อนถ้านี้ไม่ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละที่เก่าๆนฮะสามนี่บอกว่าสามหิริอัตตปะสองนี่สาธุดังๆหน่อยนี่เขานานๆมาทีกินไข่แดงไปแล้วพวกเราทิดรลก เรื่องของความศรัทธาเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ศรัทธาในาพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้ายัางมั่นคงดีในใจเราไหมหรืองอนเงันคร้อนแคลนไปหาอะไรท้ออะไรที่สเปะสปะเมื่อกี้ทีวีก็มาสัมภาษณ์เรื่องชาวพุทธพเศษษรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแวะไปหาโน่หนหานี่แหละพระธรรมก็ไม่เอาคําสอนพระสงฆ์ก็ไม่เชื่อพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ไม่เอา เพราะเราเกิดความงอนแงนคลอนแคลนในพระรัตนไตรแต่ตอบไห้ชั่วเลยก็คือเราต้องมาสอบสวนทวนความว่าเราหนักแน่นมากขึ้นหรือเริ่มงอนแงนคลอนแคลนนี่ถ้าหนักแน่นเนี่ยเขาเรียกเป็นอเวจัปปะสัทธาคือเป็นศรัทธาที่ไม่งอนแกลนคลอนแครนอเวจัปปะสัทธาจับมัน่นจับแน่นจับอยู่จับติด ทั้งชีวิตนี้จะไม่ทิ้งสิ่งนี้เด็ดขาดจะจับเอาไว้ระลึกนึกอยู่เสมอว่าพระองค์ผู้มีคุณอันประเสริฐที่เราจะต้องเดินตามรอยพระองค์สามเรื่องเช่นพระองค์มีปัญญาปัญญาที่คุณมีความบริสุทธิ์ไม่มีเลอะเทอะเพเปื่อนนาสียเะสะแยงเสอิดสียเอียน คนที่เห็นพระองค์แล้วจะรู้สึกสสีดเสะเอียนเสะยยะเสะยแยงต่อความประพฤติ ท, ที่สกรปรกสมมตไม่มีมีแต่ชื่นชอบว่าเห็นแล้วก็ประทับใจเกิดศรัทธาขึ้นไปเรื่อยๆศรัทธาในพระองค์และพอพระองค์สอนมาตระประโยคตรรกะยิ่งเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นอีกและเมื่อพระองค์สอนระสาวกจนได้เป็นพระอาหารหันต นำศาสนามาถึงพวกเราเราเห็นคุณอันนี้ก็ยิ่งศรัท ธ, ธาขึ้นไปอีกถ้าศรัท ธ, ธาเราไม่งอนเงินคอนแคลนเป็นอเวจจะปะศรัท ธ, ธาแล้วถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าตั้งใจบวชไม่สึกก็ไม่สึกอะ่ะที่สึกนะเพราะงอนเงันคอนแคลนเริ่มเสื่อมศรัท ธ, ธาถ้าไม่เสื่อมศรัท ธ, ธาคิดสึกยากบวชดองๆเลย หมดศรัทธาใช่ไหมอย่าไปอ้างว่าจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อ้างจะไปนู่นไปนี่ต้องอ้างอย่างเดียวศรัทธามันหมดมันหดมันแห้งแล้วก็ไม่อยากจะช่วยสืบทอดสัตนั้นาแล้วอยากจะไปสืบอย่างอื่นแล้วที่เป็นพระรลิกสึกไปไม่มีเรื่องอื่นเรื่องศรัทธาไม่มั่นคงศรัทธาไม่เป็นอาเวจัปปะศรัทธา มันก็เลยถ่ายถอนถอดตัวทอดจีวรทอดถึงแบบแม่ขาวก็เหมือนกันเรียกว่าถอดผ้าขาวไปใส่สวยแก้วแวววาปะพอกย้อมทาสร้างสเสนหาตอนนี้จะไปศรัทธานอกรู้นอกทางแล้วก็แต่ไปชื่นชอบอะไรอีกเยอะแยะเพราะฉนั้นอาเวจัประสรัทธาเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่ต้องตั้งมั่นมีปัญญา จึงจะไม่งอนแงนคอนแครนต้องมีรลากฐานมาเป็นพื้นฐานทางศรัทธาด้วยปัญญาถึงจะไม่งอนแงนคอนแครนถ้าตั้งราักฐานไว้ถูกถ้าถามว่าตั้งรากฐานถูกนี่คือตั้งตรงไหนตั้งตรงคิดถึงวันปัญญาที่พระองค์เนี่ยทำไมสลัดเหยื่อคลายเหยื่อทั้งๆ ท, ที่เหยื่อในโลกที่พระองค์ ได้พบได้เห็นได้สัมผัสมันน่าติดใจหลงไหลกระไรนักเลยเห็นไหมอาหารวันเป็นร้อยสำรับนางสนมเท่าไหร่เกียรติคุณจะได้เป็นกษัตริย์โอ้โหคนสมัยนีย้แค่เป็นรัฐมนตรีทิบดีก็แย่งกันจะตายแล้วพอถูกย้ายนิดเดียวก็เป็นเรื่องฟ้องร้องเอาคนย้ายติดคุกติดตลงพระองค์ไม่ต้องมีใครมาสั่งย้าย ย้ายองออกจากเวงวังไปความสงบนี่เราต้องใครครวนจุดนี้เพราะพวกเราขอไปพูดไม่เพราะเพราะว่าธรรมะปฏิโมกตรงพ่อพุทธทาสพูดแรงที่สุดคือธรรมะที่แสดงแรงที่สุดก็จะคือวันแสดงธรรมหลังจากพระลงปาติโมกขอไปนะที่พูดไม่เพราะว่าจะเติมน้ำตาล แต่วันนี้ต้องของดน้ำตาลหน่อยเอาพิกใส่นิดหนึง่งเกลือใส่หน่อยนึงพวกเรามันยังเป็นพวกตะกระตะกรามเยือใช่บ้าไม่ใช่ก็ขอโทษถ้าไม่ใช่พระพยมขอโทษถ้าใช่ก็รู้สึกตัวซะมั่งว่า ผู้ที่เรานับถือเรากล่าวคำว่าเป็นที่ระลึกนึกถึงท่านคลายเหยื่อแต่เรางาบเหยื่อตะลุบเหยื่อทั้งเรื่องกินเรื่องกา ร, รเรื่องเกียรติเจอไม่ได้เลยเป็นหิวโหยตะกระตะกรามกระโจนเข้าใส่อย่างมุมมามนี่แล้วก็มาสำลักติดคอมั่งไรมั่ง วานเห็นหนายกก็บนไม่น่าโดดก็มารับเลยไม่ลึกว่าจะเป็นทุกขลาบตอนนี้บ่นหาอยากได้หนุมานสักยี่สิบตัวมาช่วยงานบ้านงานเมืองมันหนักเหลือเกินแต่ตอนแรกก็กระโดดมางับแล้วเนี่ยก็ต้องรับทุกขลาบต่อไปก็ให้อะไรที่มันเป็นเรื่อง กินกามเกียิเหยื่อแบอกเนี้ยนั่นกันบอกว่ามนุษย์ผู้ใดใครเหยื่อไม่หลงเหยื่อไม่ติดเหยื่อที่คดีต่างๆที่เกิดในเวลาเนี้ยพิบต้องพิบตีนี่ก็บอกว่าทำท่าจะหายตัวกันเลยก็ไปงับเหยื่องับพุ่นอะไรของใครต่อใครสอบไปสอบมามันชักได้มันไม่ค่อยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ก็ต้องจะหนีกันหัวสุกหัวสุนเพราะไปงับเยือ่อเห็นพลตำรวจโทรที่เดินหน้าเศร้าไหมจับเขาใส่กุญแจมือมานับไม่ถวนเรแกะและ้วกุญแจมือมันล็อกถามว่าไปงับอะไรเขาเยือ่อพันกว่าล้านตอนนี้เขาเอาไปทอดขายเนี่ยได้หกร้อยล้านแล้วยังเหลืออีกบานเลย นับไปงับมาไม่ได้กินติดกุ๊กไม่ได้ไรเลยพระองค์ทรงคลายเหยื่อเหยื่อดีกว่าเราเยอะไหมเหยื่อแพงเหยื่อสูงเหยื่อชนิดพวกเรานี่ไม่ได้ครึ่งบิมพาสวยกว่าเราไหมพ่ออุตสาหามีครอบครัวจะได้ถูกครัวครอบครอบท่านอยู่ไหม สรรมุดออกมาแล้วไม่มุดแบบเรานะเรามุดออกวันพระวันกระนำแล้วมันามุดกลับจิเมุดออกมาสามเดือนออกพรรษามุดกลับไปใหม่ <c oughs> มุดเข้ามุดออกไปไม่หลอด น, นี่ก็เรียกว่าถ้าคิดให้ดี ศรัทธาจะยิ่งมากขึ้นไหมจะเป็นอเวจจปะศรัทธายิ่งขึ้นไหมจับประเด็นดีๆเอามาขบคิดเอามาธรรมวิจัยเอามาทำโยนิโสมนสิการเทียบท่านกับเราเหยื่อของเราระดับต่ำสุดยังมุดติดอยู่ได้นั่นเหยื่อสูงดีสวยงามอ หาที่เปรียบไม่ได้แล้วท่านก็ยังมุดออกไปได้ท่านยังคลายเยื่อ อ, อกไปได้นั่นพวกเราเนี่ยนะพระพระดีพุทธกลัวแล้วเกิดจะกลับไปงับต่อยวัดยังเหลือน้อยอยู่ด้วยคิดให้ดีภรษานี้เอาไปกบคิดบ้างเผื่อตั้งกระบวตในรรษายังไม่ได้คิดคืนนี้เไปคิดหน่อย เยื่อพุทธเจ้าดีว่าเราไหมเหยื่อของเราหยาบหยาบต่ำต่ำก็ำยังไล่งับตะกะตะกรามมูมามไม่ได้มีอะไรที่จะคิดให้รอบคอบไม่มีปัญญาจะคิดคลายเหยือ่อถามจริงๆปรปลาติดเบ็ดถูกขอดเกรดแหวะใ้เนี่ยเพราะมันหลงอะไร ปลาติดเบ็ดถูกกอดเกตแหวะไสเพราะมันดันไปเห็นเหยื่อเป็นอของโอชะไล่งับไล่กินติดไสติดปากแต่มันก็ดีนะมันก็สอนเราได้อยู่อย่างปลาติดเบ็ดทุกตัวนี่ดิ้นหมดอะ่ะไม่มีตัวไหนงับอยู่เฉยๆเพราอรู้ว่าติดดินปากแหกปากจีก็ไม่ว่าขอยินใี้หลุดไม่งั้นเดี๋ยวถูกกอดเก็ตแหวะไสใ ส, ใสกระทะไหไหว มันต้องดินหลุดออกนั่นพวกเราอ่ะถ้ารู้ว่าติดแล้วก็ดินบงังไม่ใช่งับมันเฉยนี่นพูดเลยไอ้พวกงับบุหรี่ติดบุหรี่เลิกไม่อยากหรอกแค่อาปากมันก็ล่วงแล้วมันดันงับแน่นอยู่เนะี่มันก็เลยติดถาวรมันก็เลยเป็นลูกค้าถาวรเ น, นี่ยบางคนไม่ได้มีคําว่าดินหลนฝนฝ่าย ดิ้นลนฝนฝายจะคลายจะหลุดบ้างมันก็จะมีโอกาสวันใดวันหนึ่งได้เกียวได้โฉบสิ่งที่เป็นเพชรของพุทธศาสนาคือวิมุตตหลุดพ้นถ้ามันไม่คลายไม่ดิ้นไม่ฝนฝายที่จะหลุดงาบติดมันก็ติดน่าสงสารในคนที่ติดเหล้าติดยาติดคุติ ด, ต, ด, ต, ดตลางติดอะไรต่ออะไรจนกระทั่ง เห็นเด็กๆยุคนี้จะมาสมเพศเลยมันเป็นเด็กไม่เห็นเพชรในขางกกของพุทธศาสนาเลยอยู่งั้นซ่อนอยู่ลึกพอเห็นหัวขางกกก็ น, นึกว่าน่าเกลียดแต่มันมีเพชรอยู่ในหัวขงางกกโบราณเขาสอนว่าอย่านึกว่าอะไรที่น่าเกลียดอะ่ะมันไม่ดีนะบางทีน่าเกลียดนั่นแหละมันดีกว่าน่ารักอีกเออ เรามีลูกหลานน่ารักเรารักหัวปักหัวปั๊เวลามันตายเราล้องไห้ร้องห่งมแต่ลูกไหนคนไนหนน่าเกลียดมันตายช่างมึงไม่ร้องเลยถามว่ามันก็มีส่วนดีไหมมีไหมไอ้น่าเกลียดอะทําให้เราไม่ค่อยทุกข์หรอกไอ่น่ารักเนียทําให้เราทุกข์ก่งที่สุดเนี่ถ้าลูกคนไหนตายเลยนางวิสาขาไง จะมีหลานดีที่สุดอยู่สองสาคนแต่ดีที่สุดดันตายก่อนวัยยังไม่มากเลยถ้านางวิสาขาเป็นย่าเนี่ยไปวัดอหลานก็นีจะหิ้วกระเช้าหิ้วพินโตอะไรต่างๆไม่ให้ย่าต้องหนักต้องลำบากเลยนวดขานวดแขนหิ้วข้าวยิ้วของประคับประคองยา่าไปวัดไปว่า ดีตลอดเวลามาแต่ท่าตายเะตอนไหวอันน้อยนางวิสาขาร้องไห้ร้องอมไอ้ฟ้าพุทธเจ้าก็ร้องอีกพุทธเจ้าพอรู้เรื่องเขาก็มาถามว่าวิสาขาถ้ามีเด็กดีๆอย่างที่ตายไปเนี่ยหลานเธอเนี่ยก็มาเกิดเป็นหลานเธออีกสักพันคนเนี่ยดีๆเนี่ยเธอจะเอาไหมยอมลงตอบดิ ไอ้ของดีของสวยเนี่ยนะถ้าให้วิสาขาตอบว่าไงเอาสิเอาสิเ อ, สอให้มาเกิดเนอะขุธเจ้าก็เลยยิงตรงเลยคราวนี้แล้ว ถ, ถ้าเขาต้องตายวันละคนสองคนน้ำตาที่หน้าเธอเนี่ยมันน่าจะไม่ได้เหือดแห้งเลยเป็นตุ่มเป็นหนยเลยเธอยังต้องการอย่างนั้นอีกหรือเธอยังต้องการอย่างนั้นอีกหรือ เป็นไ ง, งานางวิสาขาแกคนเดียวก็ร้องตาแฉะและ้วทั้งพันคนกุยยิ่งพว่าแฉอีกตาเน่าเลยนี่อย่านึกว่าสวยว่าดีเนี่ยมันจะเป็นทางสร้างสุข ก, ก็อย่างที่เคยเล่าอ่ะดาราท้องถิ่นประกวด้ได้ดาราเ่าเถ่าแก่มันอบเมียเท่าแก่เลยเอาน้ำกดสัตว์นะ พระสวยพอหลังจากโดนำดดนำกดศาสต์นาโอ้ยเข้าใจธรรมะตอนหน้าสวยไม่ฟังพ่อแม่ห้ามอะไรไม่เชื่อแต่พอโดนำดดนำกฎศาสต์นาแล้วโอ้ยฟังแม่แต่แล้วก็สอนซึ้งได้ธรรมะหลุดพ้นไปตอนหน้าเสียเออแต่ฟังแล้วอยางโง่ไปเ อ, อานำกดทา น, นาเลยเฮ้ <c ười> <c ười> ฉันว่านา่าเสียดีเลยแบบน้ำกดฐานน่ก็ปัญญาอ่อนนักกวีกเพราะนั้นในฐานของชาวพุทธเป็นฐานที่ศักดิ์สิทธิ์รับประทานมีฐานอะไรมีฐานถ้าฐานแน่นดีๆเนี่ยพระที่ตั้งไว้ยังไงก็ไม่โคน่นไม่ลม้มไม่หักถ้าฐานอาวจจปาะสัทธานเราแน่น ด้วยเห็นการที่พระองค์ทรงทายเหยื่อของโลกเนี่ยถือว่าสุดๆถามจริงนะถ้าเมืองไทยเนี่ยมันไม่แย่งเหยื่อเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียดกันเนี่ยมันจะเกมมีปะทงประท้วงอะไรกันไหมมีเหลืองมีแดงมีกบสออะไรกันไหมที่ทากันทุกวันนี่มีใช่อะไรแย่งเหยื่อกันพ่อพุทธาตว่าไง เมื่อแย่งกินแย่งกามแย่งเกียรติเยอะสกอตที่สี่ที่ห้าตามมาพอแย่งกินแย่งกามแย่งเกียรติก็กัดกันโกงกันทะเลาะกันถ้ามันไม่แย่งกันมันไม่อยากจะงาบนะเยื่อพวกนี้มากนะต่างคนต่างใครต่างคนต่างเบื่อนายต่างคนต่งางคลายจ้างไม่มีทางเลยที่มันจะมานั่งฟัดกัดกันอย่างกัน บ, บาดเลือดบ้าครั้ง ตายกับคนคนไปตายก็ไม่ไม่เข็ดนะเขาว่าขนคนไปตายก็ยังตายก็ตายอ้อยกูได้เป็นแกนนาเป็นบูญนําบาปไงก็จ้างมันอ้อยกูได้เป็นแกนนำเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําบุญอุทิศให้เขากีนหลังไอ้คนคิดจะแย่งเหยื่อกันเนี่ยมันรอดตายไอ้คนสู้ตายไอ้คนคิดอยู่แล้วก็กัดกันต่อไปแย่งกันต่อ นั่นพวกเราอยู่วัดได้อยากไปอยูกัดกระเขเสียฟอมถ้าอยากกัดกับไปไล่วัดกัดพิกัดที่บ้านจะมากัดในวัดวัดนี้เขาไม่ต้องการคู่กัดเขาต้องการกัลยาณามิตรใครมาอยู่วัดนี้ได้ศัตรูเพิ่มเนี่ยพวกปัญญาอ่อนต้องไปอยู่กุฏิทั้งเยินเอาละสรุปบ้า คลายกันได้มั่งก็ดีถ้าปลาติดเบ็ดพอรู้ว่าเขาดึงเนี่ยนะมันรีบคลายเนี่ยตอนมาเล็กๆตกปลาเนี่ยพอเราดึงนิดมันรู้ตัวว่าเราจะวัดแล้วมันรีบคลายมันรอดไหมมันกันรอดมันไม่ต้องติดเบ็ดไม่ต้องถูกกอดเกต็ตแหวซสยใ ส, ใสกระทะไม่ต้องมาถูกบงับงบงังบังเป็นชิ้นเอาเกลือเอาอะไรทาเป็นเหยื่อโฉชะของคนเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ รู้จักเรื่องนี้ดีก็จะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแท้จริงถ้ายิ่งคิดเรื่องนี้มากเท่าไหร่ใครครวนได้ดีเท่าไหร่ช้ำแรกแทรกเห็นชัดเจนเ้าไปเท่าไหร่โยมก็จะกลายเป็นคนเห็นพระพุทธเจ้าที่บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระองค์คือเห็นการที่พระองค์ทรงคลายยึดได้ เป็นอันดับต้นๆเป็นฐานของการที่จะเจาะเห็นพระองค์แหวกม่านเห็นพระองค์ไอเรานี่ม่านบางตามันเยอะพอมองเห็นเหยื่อม่านบางตามันใสมันผิดเลยเหมือนอะไรแว้นตา ม, มา้าม้าเนี่ยเขาเอาญ่าแห้งให้มันกินอะ่ะมันก็ไม่เคยกินเขาทำไงเขาทำแว้นตาเขียวสด ใส่หน้ามันใส่ตามันเพราะใส่ตามันมันเห็นฟางแห้งเป็นสดนกินใหญ่เลยถูกหลอกไอ้มาโงน่นี่มันโดนคนฉลาดกว่ามันเอาแว่นสีเขียวใส่ให้มาเห็นหญ้าแห้งเป็นหญ้าสดกินหมดเลยเที่ยวก่อนไม่กินเที่ยวหลังกินเพราะแว่นตาสีเขียวเือ นั้นไข่ที่เกินเยือกย่ำเยือกนะตามันเห็นทำความเป็นจริงหรือเปล่ามันอาจจะเห็นผิดจากความเป็นถ้ามันรู้แจ้งเห็นจริงมันคงไม่กินแบบตะกราตะกรารของแง่งๆกันนั้นกินหมดเลยเพราะมันรู้ผิดจากความเป็นเป็นผลของอวิชชา อวิชานี้ไม่ใช่แปลว่าไม่มีความรู้หลวพ่อพุทธัสแปลดีรู้ผิดจากความเป็นจริงมีความรู้แต่มันรู้ผิดจากความเป็นดับทุกที่เป็นจริงต้องดับอะไรดับตัวกูของกูดับความอยากมีอยากเป็นพอไม่อยากไม่อยากเป็นหมดมันก็ไม่เป็นทุกแต่ในพอเห็นผิดเนี่ยมันดันฆ่าตัวกู ที่เป็นร่างกายไม่ได้ฆ่าความรู้สึกที่เป็นกูถต่ความ ร, รู้สึกเป็นกูมันตายมันจะต้องมาฆ่าร่างกายทำไมเพราะร่างกายมันไม่รู้เรื่องจะเอาเชือผูกมันถ้ามันถามได้มั น, มนมทำกูไปทาอะไรผิดคอกูทาอะไรผิดถ้ากระเพาะมันพูดได้กระเพาะท่านยนันคงทำกระเพาะเราผิดอะไรต้องเอาอยาล้างน้สนาสวมมัดใสกาไป เพราะมันผิดอะไรเนี่ยไอ้ความรู้ผิดเข้าใจผิดมันก็ทําให้ปฏิบัตกิกระทาอะไรผิดผิดนี่วันนี้เนี่ยก็อยากจะเอาเรื่องถูกถูกพูดแล้วก็ฟังให้ถูกทําให้ถูกให้ดีขึ้นจะได้มีอาเวุจะปะศรัทธาให้แน่นแฟนไม่งอนแงนคอนแคลนไม่ใส่ปัญญานี่มาถือศีลปัญญานัน่นงอแง ห้งหลานตกลงขอไปหลานมัดแน่นฟ้าพระรานไตรโ ย, ยว่ามันแย่ไหมนะเกิดมาเนี่ยมีคำคำหนึ่งเขาเรียกว่ามนุษย์จับไว้ถ้าเราถูกคนทั้งหลายจับไว้ต้องการจะทำเพื่อคนจนลืมพระรัตนไตรนี้ไม่ได้ถ้า เราปล่อยพระรัตนตรัยออกจากใจเพราะเรามาจับใหม่จับลูกจับหลานจับยศจับว่ามั่งมีสีสุขอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ปล่อยทั้งนี้คลายลงเริ่มก่อนเงินก่อนแถมเป็นชาวพุทธที่เขาเรียกว่าแทนที่ยิ่งอยู่ยิ่งรู้ยิ่งโตยิ่งฉลาดดันยิ่งอยู่ยิ่งงิงเอาเนี่ย เดี๋ยวจะเทดึงบัวใต้น้ำไม่ฟังก็ทีบัวสีเหล่าอ่ะแต่วันอาทิตย์มาดูให้ก็เตรียมคนไว้ล่ะบางคนไม่ใช่ว่าเป็นชาวพุทธแล้วจะอยู่เหล่าเดียวกันหมดใจจะพ้นน้ำหมดไอ่พวกใกล้เป็นอาหารเต่าหานปลาก็มีไหมใต้โคลนใต้ตมไม่พอนี่หรือใต้คอนกรีตชนไม่ขึ้นเลยมีบุกอยู่ในนั้น ตอนนี้มาดูต่ออีกนิดได้ไหมว่าถ้าพราะองค์ายเหยื่อได้และพระองค์ไม่มาบอกวิธีคายเหยื่อให้พวกเราเราก็จะเป็นมนุษย์งี่เงา่าติดเหยื่อหลงเหยื่อบ้าเหยื่อตะแย่งกัดกันฟัดกันเพราะเหยื่อแม่แตมาเห็นอาาเนี่ยนะเวลาให้อาหารมันเจ้ากัดกันจังเลยแล้วถ้าเจอยิงหน้ามันเป็นสัตวน์นี่โอ้ยมันกัดกันเอาเป็นเอาตาย มันกัดกันเอาเปน็นเอาตายเลยแย่งตัวเมียกันโอ้แหมทำไมมันช่างยี่เงาเจ็บปวดเดือดร้อนทรมานแสบเผ็ดเพราะฉะนั้นข้อที่สองเนี่ยพระธรรมคือสิ่งที่ท่านมาบอกวิธีคลายเหยื่อให้รู้จักว่าเหยื่อทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่จีรังยั่งยืนเลย มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตามกฎของทุกขังคือมันมีอะไรทนอยู่ได้เสมอไปเราปลูกต้นไม้สักชนิดหนึ่งเอาทุเรียนการยาวมันกินอร่อยเดี๋ยวก็มีเหตุแปรปรวนที่มันทนอยู่ไม่ได้น้ําท่วมมากมันก็ทนอยู่ไม่ได้ของอร่อยนี้ก็ต้องอดน้ําไม่ท่วมหรอกแต่ดันน้ําเค็มมันก็ตายเราก็ อดแต่ถ้าเราติดใจว่าต้องกินให้ได้ละ่ะไม่กินไม่ได้ต้องกินให้ได้เราจะทุรนทุายแค่ไหนเราจะเป็นทุกข์ทรมานขนาดไหนเพราะเราติดอกติดใจรสชาติหวานมันของมันชิ้นอร่อยได้ที่พูดนี้ไม่ใช่บอกว่าอองั้นอย่า ก, กินก้านยาวนะอยา ก, กินหลงลับแล่นะกินก็กินได้ แต่กินต้องปั จ, จเจกด้วยนะครับพระท่านปั จ, จเจกเนี่ยปัจเจกินเพื่อแก้หิวดับทุกข์ความหิวเพื่อเอาเรี่ยวแรงไว้ประพฤติปฏิบัติผมอาจารย์ไม่ใช่กินเพื่อจะได้กินต่อไปไม่หยุดหย่อนเพราะมันไม่มีอะไรมาให้เราได้ตั้งใจสม่ำเสมอดั่งเดิมยืนมาได้อย่างนี้ก็ได้่างนี้ถ้าอยากจะได้อะไรตามใจมันก็จะมาตามใจ มันเป็นไปไม่ได้บางช่วงมันได้บางช่วงไม่ได้เพราะต้นมันตายฤดูเปลี่ยนบางปีก็ดกบางปีก็ไม่ดกเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราที่ได้อะไรอร่อยอร่อยใครปร้อนความอร ե ็ดอร่อยให้จะเป็นเรื่องผิวหนังสัมผัสรสชาติทางลิ้นเสียงเพราะทางหูให้รู้เท่ารู้ทัน รู้แก่รู้กันอย่าให้ตกเป็นทาดทาดความอร่อยเนี่ยธรรมชาติมันฉลาดมันหยอดรสอร่อยไว้ที่ลิ้นที่หูที่อวัยวะต่างๆหยอดไปหมดแม้แต่ตะวันถ่ายเนี่ยยมว่าทำจริงอะถ่ายนี่มันก็มีรสชาติไหมย่มมีไหมถ้าไม่ถ่ายมันอึดอัดอะพอถ่ายแล้วมันโล่งไหม เข้าส้วมนี่มันเลือก็เข้าครัวไปเฮไมเรียนตะ่อ <g ül s 2> <c oughs> งต่อที่เ <c oughs> ข้าท้วมก็เข้าครัวอันไหนรีบด่วน ual? จำเป็นจาเป็นมากกว่ากันเอาต่อไปดีๆทีเออเข้าครัวนี่ ย, ยังเลื่อนได้ไหมไออีชั่วมอี ก, ออกึ่งชัมงก็ได้แต่เข้าส้วมเนี่ยเกิดก <c oughs> ตุยๆเมื่อไต้อง ถ้าไปปล่อยแล้วมันลงไหมสบายไหมเออถ้าได้สวมดีๆถ่ายมีความสุขบางคนเข้าสวมถ่ายร้องเพลงมีนะเออตกลงว่าเข้าครัวกับเข้าสวมเนี่ยอย่านึกว่ามันต่างกันมากนะเพราะเผอเข้าสวมสำคัญกว่าอีกผัดไม่ได้เลยมันเตือนสัญญาณเตือนต้องเขาหรือแต่อยู่เนี่ย เลื่อนครึ่งชั่วโมองอยังได้ไหมเมื่อเช้านี่จะมาก็เนี่ยว่ามนฉันแล้วพอจะมันฉันเชาวอะเสียงกองตุมตุ้มตุมตุ ม, ตมเอา้อาเพราะว่าเมื่อเช้าไปบินตบาดสายมากพอดีว่าได้ฉันได้นั่นไปนิดหนึ่งลองท้องไปนิดนึ่งแต่มาฉันที่วัดเนี่ยจะล้วงของก็ของมันเยอะไอ้ของฉันได้มันดันเอาของแห้งทับไว้ข้างบนหมดบอกลวงยากหนูก็ เออลวงยากเดี๋ยวไปชันที่วัดก็เห็นไหมเป็นเวลาตั้งนานแต่ทัดส้วมที่ไม่ได้เลยคิดเป็นไหมเนี้ยเดี๋ยวคิดเป็นไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอร่อยอร่อยเนี่ยธรรมชาติหยอดไว้เนี่ยอย่างโง่เราคือลูกจ้างมันคือนายจ้างหยอดไว้ให้เราอร่อย อย่างที่หลวงพ่อบุธท่าท่านบอกว่าถ้ามันไม่หยอดไปให้เดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเราก็ศูญพันถ้าไม่หยอดอร่อยไว้ที่ลิ้นเนี่ยแล้วก็จะไม่กินอะไรแล้เวเราก็ผอมตายใช่ไหมแต่มันไม่หยอดรส อ, อร่อยไว้ที่เพศเนี่ยมันจะจืดชื ด, ด, ดหมดเนี่ยมันจะมีใครแต่งงานเนีัยมันจะขอกันยังไงต้องเท่าไหร่แต่งกับเมื่อเร็วๆ เ, เนี่ยโอ้โหต้องร้อยล้านเสียเท่าไหร่ก็ช่างมันเนอะ ให้กูได้อร่อยแล้วกันมึงจะคิดกันอย่างงั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อผัดสะในรสชาติอะไรก็ตามอย่าเผลิไพรเกิดนันทิท่านสอนว่าอย่าให้ปล่อยมีนันธิเพลินกับความ อ, อร่อยจนไม่มีคําว่าคิดใครครวดอร่อยนี่มันจริงไหม อย่างที่พระล่นลงเก่าๆอเอาอาหารใส่ปากแล้วไม่เคี้ยว อ, อมยังสมเด็จโตะอะไรเงี้ย อ, ร, อร่อยอร่อยอมนานๆก็จืดไหมอะไรเพลงเพราะๆใส่หูเสียบฟังมันอยู่งนัน่ะแปดวันจืดไหมเพลงข้าน้ำนมริบเลาเนี่ยออย้อนต้นใหม่ร้อยแปดเที่ยวน่าจะเบื่อมากกว่าอิทิพีโสร้อยจบก น, นี่ เพนะนั้นเราก็ต้องเชื่อพุทธเจ้าหน่อยและเมื่อเชื่อพุทธเจ้าท่านสอนอะไรพระธรรมคําสอนนั้นช่วยเราให้พ้นจากเหยื่อมาด้วยมีข้อวัดปฏิบัติวิธีปฏิบัติเนี่ยการบอกสินสมาธิปัญญาจะทําให้เราศรัทธาต่อพระธรรมแต่เราต้องศรัทธาพระธรรมก่อนฟังก่อนศึกษาก่อนด้วยปัญญาให้ดีก่อน ไม่ใช่มาศรัทธาถือถือถือมาเงี้ยแล้วไม่เคยอบรมสั่งสอนไม่เคยสอบทวนทบทวนไม่มีสอบทวนทบทว น, ททวนหลักธรรมในป ร, รัตนาตรัยเลยเราจะมีคำว่าอาเวชจัปะศรัทธาเพิ่มยังไงอ่ะมันเพิ่มไม่ได้หรอกเหตุเหตุเพิ่มมันไม่มีผลที่จะเพิ่มมันจะตามเติมมาได้ยังไงมันจะงอกจะงามออกมาได้งไงมันต้องสร้างเหตุ แต่ผลมันก็จะตามมาสร้างเหตุก็คือให้ครูนลักทำคำสอนที่พระสาวกท่านรับมาถ่ายทอดก็ดีาประเทศแต่ละครั้งแต่ละกันเนี่ยมันต้องกันอะไรเราได้มัง่งเพราะเราฟังเทศไหลกันเราก็เลยกันอะไรต่ออะไรที่มันเร็วสามตำเสื่อมจากเราได้ตั้งเยอะอบัยมุขกร ะ, ะชากเราเราไปเสื่อมไม่ได้ เราไม่ดื่มน้ำเมาเราไม่เที่ยวกลางคืนเราไม่ดูกันเล่นเราไม่เล่นกัารพนนั้นเราไม่คบคนผ่านคนชั่วเป็นมิตรแล้วเราก็ไม่ขี้เกียจทำหน้าที่หน้าที่ต้องมาฟังเนี้ยเป็นหน้าที่ไหมพอมีสัญญาณว่าจะมาฟังเนี้ยรู้สึกเอืมอมอาเบื่อไหมเทศก็อย่างงั้นเลยกี่เที่ยวกี่เที่ยวก็อย่างงั้นเลยเบื่อจะตายอะไร อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเริ่มงอนเงีน้นเริ่มคลานแคลนต่อพระรนัตนะไตคือพระธรรมเพราะว่าศาสนาเนี่ยท่านเริ่มต้นว่าอะไรเป็นตัวฐานหลักคือศึกษาธรรมะท่านเรียกว่าปลิตหยัดพอได้ผลิตหยัดข้อเรียนรู้แนวทางทุกอย่างแล้วเราก็มาลองประพฤติกธรรมปฏิบัติดี๋ยวก็ได้เห็นผลบางอย่างขึ้นมาท่านเรียกว่าปฏิเวท พอได้ปฏิเวทพอเห็นผลขึ้นมาจากการกระทาตามคําสอนเนี่ยใครมันจะงอนเงิน่ะมันได้รับประโยชน์อย่างอาตมาเขียนเล่าไว้ว่าเขาถามว่าท่านเคยคิดสึกไหมเคยแต่คว า, ามคิดสึกอะ่ะมันสู้คว า, ามคิดเห็นประโยชน์ในการบวชที่ได้รับถ่ายทอดหลักทำคําสอนแล้วไปถ่ายทอดและช่วยคนอื่นอีกเนี่ยอุยมันเห็นประโยชน์เยอะ เราไม่เสียเวลามาหลงเหยื่อเนี่ยโอ้เรามีเวลามาทําอะไรแต่อะไรได้เยอะเลยถ้าจะมาไปเป็นปู่หว่านในอำเภอกำนันสวอเป็นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียดเนี่ยป่านนี้จะเป็นอะไรจะเหลือเวลาทําอะไรได้มากเวลาที่จะมานั่งขบคิดถ่ายทอดหลักธรรมจะเหลือไหมคิดไปคิดมาโอ้ยถ้าเราปล่อยเวลาชีวิตเราให้ถูกฉกไปในเรื่องโง่โง่ วันวันหนึ่งต้องไปนั่งปรุงเปลอบำรุงบำเลเยือต้องไปนั่งสแสวงหาเยือต้องมาปรุงแต่งให้มัน อ, อร่อยยิ่งขึ้นเนี่ยที่ว่ากินก็โอ้ยน้ำจิ้มหลากหลายเรื่องกามก็ต้องมีไว้อาก่ามีอะไรมากระตุน้นเรื่องเกียรติก็ บ, บ้าบอแย่งกันด้วยวิชามานแพ้การเลือกตั้งก็ไปเอาชนะกลางถนนมันก็เป็นอย่างนี้ ถามว่าเวลาถ้าตัมามีเวลาอยู่ในมอ็อบยนึกเสียดายสงสารตายเลยท่านเนี่ยท่านก็เก่งอ่ะแต่เวลาไปอยู่ในม็อบตั้งสองสามเดือนเนี่ยไปยังไงอ่ะก็ไปรู้นะบวชแล้วใครจะใช้เวลาไปทางไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าใช้เวลาอยู่กับเรื่องเผยแผ่สงเคราะห์พัฒนาตัมาว่ามันน่าจะมาถูกทางบวชไม่เสียของ ไม่เสียผ้าเหลืองเปลืองข้าสุดนะยอมใครบวชเป็นแม่ขาวแล้วยายเสียผ้าขาวเปลืองข้าวัดเพราะไม่ได้ซึมซับอะไรที่พุทธเจ้าสอนเลยก็ เ, เรียกพวกช้อนทับพีไม่รู้รสแกงช้อนทัพีมันแช่อยู่ในแกงเนี่ยถ้าถามมันบอกเอ้ช้อนทัพีแกงส้มเป็นไงรส ด, ดีไหม ตอบได้ไหมไม่ได้แช่อยู่นั้นเนี่ยไม่รู้ลดมีม่มยอะแช่อยู่ในวัด น, า น, านั่นนะไม่ได้ลดได้ชาติอะไรเลยเอออย่าให้เสียเวลาเปล่าก็จะไม่รู้ใครเสียเวลาเปล่าแต่ไม่ว่าถึงขนาดเสียชาติเกิดนะมันจะแรงไปเดี๋ยวน้ำตาลจะแห้ง ศึาน้ำตาลไว้นิ ด, ด, ดอา้าวต่อมาก็คือเราเนี่ยจะมั่นคงในพระสงฆ์อย่างไหนอย่างไรแต่ต้องมีศรัทธาด้วยปัญญาไม่จะเห็นพระสงฆ์แปลกๆปลก๋ยนี้แปลกนะคนเนี่ยจะศรัทธาพระสงฆ์แปลกๆแต่พระสงฆ์องค์ไหนมีอะไรมีฤทธิ์มีเดชมีศักดิ์ศิ์คนแห่ไปกันเพืพรับเลย สมัยนี้ก่อนยันกะพุทธโตเนี่ยเราดูได้ไหมเราดูสันดานโง่ของเจ้าพุทธได้เลยได้เลยไม่รู้เรื่องไหยเลยตมาก็พรอยซวยไปด้วยก็าหาว่าเนี่ยที่เปิดประเด็นยันตะพอ เ, เห็นเขาหลอกกว่าอิจฉาเออเออแต่มาเพ่งได้ยินนะมีคนมาบอกบ่อยบอกโยมคนนั้นะเขาเกลียดอราจะมาถามเกลียดเรื่องอะไร ท่านชอบไปว่าพระศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกไม่ดีท่านน่เสกไม่เป็นใช่ไหมบวชตั้งนานเสอแล้วยังไปว่าคนอื่นเก็โอว่าเราแหลงกันนะว่าเราแหลงแต่ไม่รู้ใครมาสอนให้เสกสิบล้านยี่สิบล้านก็จะไม่เสกเพราะว่าพระสงฆ์ดีๆก็ไม่ทำหลวงพ่อชาเนี่ยหลวงปูมั่นเนี่ยมองดูว่าเป็นต้นตํานานพระ ทุกดองสังสิทธิ์แต่ท่านไม่ทําเครื่องหรังของขังเลยหลวงพ่อจารย์นี่ไม่ทำเลยที่จริงหลวงพ่อคูเนี่ยท่านบ่นกับลูกศิษย์ตั้งหลายเที่ยวว่าไม่ทําไม่ทําแต่พวกกรรมการวัดนพวกนี้มันอยากได้เงินก็ไปแค้นให้ท่านทําขนาดท่านไม่ไหวแล้วก็ยังเข็นท่านไปตรงหน้าปูกเสกอีกทรมานท่านแค่ไหนมันเป็นเพราะสันดานชาวพุทธโง่เกินไป เลยทําให้พระสงค์ที่ปฏิบัติดีก็พลอยลําบากเนี่ยสมเด็จโตท่านเคยพูดอยู่คําตอนขวัวโตดีมันก็หาว่าขวาัวโตบ้าเพราะตอนขวัวโตบ้ามันก็ว่าขวาัวโตดีตอนไหนตอนท่านไปให้หวยถูกท่านบอกแล้วกูบ้าไปแล้วนี่ให้ไปได้แต่ชาว บ, บ้านว่าท่านดีพอไปขอเที่ยวหลังไม่ได้ มันว่าท่า น, นก่อนยังให้วันนี้ไม่ให้อารมณ์คุ้มดีคุ้มลายผีเขา้าผีออกมันก็หาทางว่าท่านนี่ตกลงว่าคนที่นับถือศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยมันต่างกันเขาก็เปรียบว่าบางคนเนี่ยศรัทธาในอะไร ลูปัป ป, ปะมานิกาโคสปปะมานิกาธรร ม, มปปะมานิกาบางคนศรัทธาเพราะท่านแสดงธรรมชัดเจนแจ่มแจง้งเกิดศรัทธาในธรรมบางคนนิ้วไรูปลางนาตาท่านดีก็เรียกว่าลูปัปปมานิกาศรัทธาในรูปบางคนโอ้ยเสียงท่านเทศนี่กังวานดีเพราะโยบเขาชอบพระที่แหล่เพราะเพราะ มีลูกคอพอถึงตอนคลื่นเนี่ยคลื่นมาทำไมเป็นแตาเมือครูเห็นภาพลูกคลื่นออกจากคอเลยเนี่ยชอบพระองค์นี้แหละเพราะแลดีแต่ตมาเนี่ยก็เทศพูดง่ายๆไปเลยทำไมต้องเอื้อนไปยืมเสียงไวโพสมาจากเมื่อไหร่ พวกนี้คลั่งในเสียงศรัทธาเพราะเสียงออบางคนก็ศรัทธาพระท่านอยู่สันโดษมากน้อยปอนปอนอะไรเงี้ยสมัยนู้นก็มีพระ อ, องค์เพื่อนเดินมาชื่อท่านเกษตรจีวรดีๆท่านคำขาดหมดแล้วก็ปะฉันก็าเรียกท่านกระปะท่านสังกระปะ แกปะหน้าดูแต่แกเพียนอย่างหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสแกไม่ชอบเผาเลยเอาไปเผาตรงไหนเล่มตรงเนี้ยเอามาเผาเนี่ยตรงเนี้ยต้องจำได้เลยตรงหัวมุมเนี่ยอันนั้นยังเป็นส่วนเป็นหองเอาไปเผาเั้งสามสี่เล่มปกำํำใหญ่ๆไม่ชอบหาว่าสอนไม่เชื่อ ก, กฎแห่งกรรมอะไรก็ไม่รู้สรุปแล้วว่า าถาศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่ต้องประเด็นไม่ชัดเจนด้วยปัญญาอาจจะพลัดหลักแล้วไปติดพระลิตพอพระสอนหลักไม่ก็สนใจถามว่าพระมีหลักหลักเนี่ยอย่างพระองคุณาภรณ์เนี่ยกับพระที่ศักดิ์สิทธิ์คนนับถือต่างกันหลายเปอร์เซนต์แต่คนที่มีปัญญาก็จะนับถือท่านในฐานะผู้ถ่ายทอดหลักทำคาสอนของพรเจ้า ด้วยปัญญาท่านจะมีข้อคิดเหตุผลในกรณีเกิดเรื่องไม่ดีเนี่ยท่านจะเขียนเช่นกรณีสันติอโศกกรณีธรรมกายถ้าใครไปอ่านดูแล้วเนี่ยจะชัดเจนมากเลยกรณีธรรมกายท่านว่าไว้ยังไงต้อเป็นอย่างหมอประเวศว่าเป็นโลกเวริร์ธรรมกายเวิร์ คือทำอะไรเล็กๆทําไม่ได้ต้องทำใหญ่ๆบวชล้วต้องบวชทีละแสนลูกบินตบัตต้องทีละล้านรูปเคยได้ยินข่าวไหมตอนนั้นตกใจอาจมาบอกเฮ้ยยังไงวะนี่ไอ้เด็กมาบอกหลังพ่อเขาขึ้นไปนะพระ บ, บินตบัตล้านลูกเฮ้แล้วเมืองไทยมีกี่ลูกกี่ลูกอะเมืองไทยมีสองแสนแต่อีกแปดแ0นไปเอามาจากไหนอะ พมา่าลาวกัมเมนทั้งหมดยอมได้ปะได้ไหมไม่ได้ไม่พอแล้วมาจากไหนล้านองสงสัยติดต่อข้างบนตอนนั้นก็ติดต่อวิญญาณสติบจบเสร็จทีว่าคุยกันสติปจบได้แต่ดีเอสไอเรียกไปสอบไม่ไปไปหาสติปจบไปได้ เขาเฝ้าพุทธเจ้าไดเออ้เนี่ยคนเรามันก็แปลกนะแล้วอาตมานี่โดนคนกุมธรรม์กายเรียเกียดเกียดมากมากเกียดมากมากเลยที่เขาศรัทธาของเขาสุดขีดอย่างถึงใยอะไรนะที่ตายแล้วเผาคนจีนนะอะซกโวยนะ่โยนะโอ้โยมีเงินตั้งเยอะนะตั้งหลายล้านในจำบุญวัตกรรมกายหมด ลูกหลานขอเรียนก็ไม่ให้ขอทำทุนทัวร์ขายไม่ให้พอทำบุญหมดแล้วไปขอลูกหลานอยู่ลูกหลานไม่ให้ไห ล, ล่ลุยไปไปอยู่วัดดิพระรรกายก็ไม่รับหมดตังแลไม่รู้ใครดินมาส่งที่นี่ตอนมีเงินไปทำบุญวัดนู้นตอนตายไม่ให้เราเผาเพราะนั้นคนที่ศรัทธาพระสงฆ์ที่ไร้ปัญญาก็เกิด โยมดูข่าวไว้เมื่อวันสื่อเนี่ยที่กองปราบเฝ้าติดตามจะรวบเนนแอจอมคำังเวทในอะไรจิตจำไม่ได้เอ็นแอเก่าอะเชื่อไหมในพนนะเป็นลูกศิษหลายคนที่ถ้ากลับไปบวชได้อีกนะคนก็ยังนับถือพระสงฆ์ของโยมกับพระสงฆ์ของพระเจ้าเนี่ย ในพระรัตยาไตรไม่ตรงกันพระสงฆ์ของโยมคือโจรป้นศาสนาชัดๆก็มีนะยังสมัยจตุคามรามเทพดังเนี่ยโยมรู้ไหมว่าพระภาคใต้ที่ดังที่สุดเวลานั้นคือใครไปไหนไปเครื่องบ่งเครื่องบินเลยนะแต่มาไปเทศ ย, ยังไม่มีเครื่องบินไปส่งไปที่เที่ยวเลยชื่อหลงหนุย่ยที่ปลุกเสกจตุคาม แต่เสกองเดียวถ้าไปให้เสกษเจ็ดองเก้าองไม่ไปเพราะแบ่งจำนวนเงินลาบแล้วเสียได้ไม่ครบแต่องเดียวไปโอ้ยขายจตุคามรามเทพรวยเป็นร้อยร้อยล้านซึกไปเที่ยวส่องติดเอดตายจตุคามเลยหมดหมดลขังเลยเสื่อมหมดเลยเนี่ยเพราะนั้นจะนับถือพระสงฆ์ต้องดู ที่เราสวดด้วยนะเราสวดสันเสริญคุณพระรัตนไตรัยกันเนี่ยอุอยุตรงปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัตบิตควรเนี่ยเราก็ดูหน่อยดีนี่เวลาใส่บาตรเลยตอนนี้เขาเครียดกันจะตายแล้วพวกพระเขมปรปลอมมาบวชเยอะเยอะโยมก็ใส่ไม่ดู พวกนี้ก็เลยเป็นโจรปล้นศาสนาเลยแล้วก็กลายเป็นคนให้กําลังโจรไปเลยชาวพุดโงโงๆเนี่ยจะให้กําลังโจรไอโจรปล้นเลยโอ้ยตอนนี้มาบินระบาดกันเป็นแถวเยอะแยะหมดแล้วก็อยู่แต่ในตลาดอะละมาเนี่ยจะบินตลาดนิดหนึ่งแล้วก็ไปซอยเล็กๆที่พระไม่ไปโอ้ชาวบ้านเขาดีใจคนลุกคนพองคนชันเลย ไปปลปลุกปลกโอ้ยแล้มไรจะมาอีกเ่ไจะมาโอ้ยพหน้ายกโอ้ยไอ้ซอยที่ไม่ได้ไปอะนะเขาอัออ้นบุญทำห้าร้อยทำพันพระไม่รู้ไปมัวบินไอ้พวกเพียบุญใส่ทุกวันตลาดพระแน่นมเมืเจ้าเข้าไปในซอยเล็กไม่นึกเลยยอมบอกนี้พระไม่มาเลย ไปใส่พันดูแล้วยโยมพระก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไปในตลาดแบุญอ้ยวนกันไปร้อยอง์ิบองก็อยู่ในตลาดยมยิ่งไปดูตรงพระปฐมเจดีสองรอยกว่าองค์วนอยู่นน่นแต่ซอยเล็กซอยน้อยไม่ไปพทธเจ้าถึงบอกว่าให้ไปทางละหนึ่งองอย่าไปทางเดียวหลายอง บุคคลผู้มีทุรีในดวงตาน้อยเขาอยากทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมเขาก็ไม่ได้แต่ถ้าเราไปบินตาบาตแล้วแจกเทปซีดีหนังสือเนี่ยแม้บางคนนี้เห็นอาการเลยนะแกทำบุญน้อยตังน้อยไงก็ไม่รู้แ่ะแต่พอเห็นคนที่เขาทำห้าร้อยได้ห้าเล่มก็ยืนอินเออเล่ม น, นั้นขอไม่ได้ <c oughs> ว่าเดี๋ยวปีหน้าจะดูว่างบ พิมพ์หนังสือเนี่ยว่าทำไมาว่าสักเจ็ดล้านแปดล้านนี่ยเพราะว่าวั น, นต้องแจกทั้งสองหมื่นสามมื่นบาทวันนึงเนี่ยแจกสักสองสามมืนบาทเมื่อวานหรือเมื่อไหร่ที่ว่าได้ห้าหมื่นนยอมทำบัตรได้เท่าไห้าหมื่น 50, เออห้าหมื่นนะแต่แจกเทปไปเท่าไหร่หนังสือก็เท็บหมดไปสองหมื่นสามแต่ก็ยังได้ตั้งครึ่ง เดี๋ยวก็เป็นฐานทุนพิมพ์ไม้พิมพ์ไว้บางทีก็ต้องตัดใจอ่ะอาว้างว ะ, ะ ห, หยิบไปก็เรื่อยๆเลยหยิบแล้วยอดหน่อยบางทีก็ต้องพูดกันไว้นิดหนึงใครร่วมทุนให้ต้นทุนพิมพ์เกิดชาตหน้าต้นทุนทางสังคมจะสูงใครไม่ใส่ทุนให้เลยอาจจะเกิดมาต้นทุนต่ำอู้ใส่ก็ใหญ่ฟาหยิบไปแล้วนะหยิบไปแล้วยังย้อนกลับมาใส่ไหม เออก็ดีดีเห่ือกันยิบเอาไปแล้วฟีๆีะพอได้ยินประโยคนี้ร่วงมาใส่ยี่สิบบาทก็ไปห้าสิบเล่มใหญ่คิดว่าทำแบบถ้าคงจะเปลี่ยนบ้างเนาะไปหาเขามาเยอะจะไปแล้วบางทีมันทะเลาะกันบางทีที่เราไปเทศมันมีทั้งเหลืองทั้งแดง ไอ้พวกแดก็ชอบไอ้พวกเหลืองก็ด่าผู้ทําให้เขาทะเลาะ ก, กันอีหลังต่อไปหมู่บ้านนี้ในบ้านไหนมันไม่ออกมามันไม่สตามันไม่ชอบมันก็อยู่ในบ้านใ้ไห น, ไหนจะตามมามันก็ออกมาเราก็แจกไปให้ไปแล้วมันอยู่ตั้งห้าปีสิบปีได้ไหมหนังสือเนี่ยซีดีอยู่นานไหมมันไม่ยืดเหมือนเทปคระเซ็ ท่าที่ประทับใจมากที่สุดก็คือว่าเขานั่งรถเขาเสียบใส่ฟังไปได้ตลอดเดี๋ยวนี้มันสามารถใส่ทีเดียวจะเอาเรื่องอะไรเขาจะเขียนไว้เรื่องอะไรกดตรงนั้นเรื่องนั้นดังมาเลยเดี๋ยวเขาเล่นเพลงพันเพลงอ่อันนี้ก็หันมาเป็นธรรมะร้อยกันพันกันเนีคนมาทำบุญพันหนึ่งแต่มาก็เริ่มแจก อย่างนี้ใครจำนวนพันสองพันแจกจำนวนพันสองพันแจกจะมาว่าเท่าที่คำนวณดูนะคนมาวัดเนี่ยเพราะได้รับเทปหนังสืออ่านแล้วมาวัดมากกว่าบอกว่าไปฟังที่นั่นแล้วตามมาฟังที่นี่เขาได้เทปหนังสือไปอ่านไปฟังแล้วเขามาวัดเนี่ยมากกว่าที่เราไปเทศก็เลยคิดว่า ตีหน้าเนี่ยต้องพยายามที่จะหยุดหลังปิงธรรมก็ขออวยพรให้ทุกคนได้มีคำว่าอาเวชปะศรัท ธ, ธาคือศรัท ธ, ธาในพระรัตนตรัยอย่างไม่งอนเงินคอนแคนเป็นฐานเริ่มต้นดีๆเดี๋ยวก็จะทราบซึ้งทั้งพระพุทธเจ้าผู้คลายเหยื่อทั้งพระธรรมหลักสอน วิธีการขายเหยื่อทั้งพระสงฆ์ที่มาคอยชี้ย้ำคอยเตือนให้ขายเหยื่อเพราะไม่ขายแล้วเดี๋ยวก็เหมือนปลาถูกคอดเกรดแหวะใจใส่กระทะเพราะหลงเหยื่อนั้นพระสงฆ์ที่มีสิ่งที่เราน่าเชื่อหน้าเคารพหน้านับถือที่สุดก็คือพระสงฆ์ที่สอนให้เราขายเหยื่อแม้กระทั่งขายสวรรค์ขายความดีบุญ ให้เหลือแต่อะไรเหลือบุญเหลือดีก็อขอให้คนได้พื้นฐานเนี่ยกลับไปเพิ่มเติมเอาเวทจับปะสัทธาให้มันขยายมีก้อนแง่นก่อนแกนได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอ